ปฏิสมุทฐานว่าด้วยสมุทฐานอาบัติที่มีอยู่หนึ่งปราชิกว่าด้วยอาบัติปราชิกอาบัติที่ภิกษุไม่จงใจต้องแต่จงใจออกมีอยู่อาบัติที่ภิกษุจงใจต้องแต่ไม่จงใจออกมีอยู่อาบัติที่ภิกษุไม่จงใจต้องไม่จงใจออกมีอยู่อาบัติที่ภิกษุจงใจต้องจงใจออกมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุมีจิตเป็นกุศลต้องมีจิตเป็นกุศลออกมีอยู่อาบัตที่พิกษุมีจิตเป็นกุศลต้องแต่มีจิตเป็นอกุศลออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุมีจิตเป็นกุศลต้องแต่มีจิตเป็นอัพยากฤิตรอกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุมีจิตเป็นอกุศลต้องแต่มีจิตเป็นกุศลออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุมีจิตเป็นอกุศลต้องมีจิตเป็นอกุศลออกมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุมีจิตเป็นอกุศลต้องแต่มีจิตเป็นอัพยกฤิออกมีอยู่อาบัตที่พิกษุมีจิตเป็นอัพยากฤิต้องมีจิตเป็นกุศลออกมีอยู่อาบัตที่พิกษุมีจิตเป็นอัภยกฤิต้องแต่มีจิตเป็นอกุศลออกมีอยู่อาบัตที่พิกษุมีจิตเป็นอัพยากฤตต้องแต่มีจิตเป็นอัพยกฤิออกมีอยู่สิกขาบทที่หนึ่งถาม ปราชิกสศีขาบทที่1เกิดด้วยสมุธฐานเท่าไรตอบ ป, ประชิกศีขาบทที่1เกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานคือเกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิตศีขาบทที่สองถามประชิกศีขาบทที่2เกิดด้วยสมุธฐานเท่าไหร่ตอบประชิกศีขาบทที่2เกิดด้วยสมุธฐาน3สมุธฐานคือ 1. เกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา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 3. เกิดทางกายวาจากับจิตสิกขาบทที่4ถามปราชิกสิกขาบทที่4เกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรตอบปราชิกสิกขาบทที่4เกิดด้วยสมุทฐาน3มสมุทฐานเือ 1. เกิดทางกายกับจิตไม่เจืเกิดทา ah. งวาจา 2. เกิดทางวาจากับจิตไม่เจเกิดทางกาย 3. มเกิดทางกายวาจากับจิตปราชิกสี่สิกขาบท 2. ส, สังฆาทิเศษว่าด้วยอาบัตสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งถามสังฆาทิเศษของภิกษุผู้จงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ ตอบสังฆาทิเศษของภิกษุผู้จงใจทํานาอสุจิให้เคลื่อนเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาสิกขาบทที่สองถามสังฆาทิเศษของพิกษุผู้ถูกต้องกายกับมาตุคามเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไร่ตอบสังฆาทิเศษของภิกษุผู้ถูกต้องกายกับมาตุคามเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคือเกิดทางกายกับจิต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 สเกิดทางกายวาจากับจิตสิกขาบทที่4ถามสังฆาทิเศษของภิกษุผู้กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรตอบสังฆาทิเศษของภิกษุผู้กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามเกิดด้วยสมุทฐาน3 ส, สมุทฐานสิกขาบทที่5ถามสังฆาทิเศษของภิกษุ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 สังฆาทิเศษของภิกษุผู้ให้สร้างวิหารใหญ่เกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรตอบสังฆาทิเศษของภิกษุผู้ให้สร้างวิหารใหญ่เกิดด้วยสมุทฐาน6สมุทฐานสิทธาบทที่8ถามสังฆาทิเศษของภิกษุผู้ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรตอบสังฆาทิเศษของภิกษุผู้ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูล เกิดด้วยสมุธฐาน3สมุธฐานสิทธขาบทที่9ถามสังฆาทิเศษของภิกษุผู้อ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นเป็นเลสใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกเกิดด้วยสมุธฐานเท่าไรตอบสังฆาทิเศษของภิกษุผู้อ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นเป็นเลสแล้วใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกเกิดด้วยสมุธฐานสสมุธฐาน สิกขาบทที่10ถามสังฆาทิเศษของภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ไม่ยอมสละกรรมกระทั่งสงฆ์สวดสมานุภาพครบรสามครั้งเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบสังฆาทิเศษของภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ไม่ยอมสละกรรมกระทั่งสงฆ์สวดสมานุภาพครบรสามครั้งเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตสิกขาบทที่11ถาม สังฆาทิเศษของภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ยอมสะละกรรมกระทั่งสงฆ์สวดสมานุภาพครบสามครั้งเกิดด้วยสมุฐานเท่าไรตอบสังฆาทิเศษของภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ยอมสะละกรรมกระทั่งสงฆ์สวดสมานุภาพครบสามครั้งเกิดด้วยสมุฐานหนึ่งสมุฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตสิขาบทที่สิสอง ถามสังฆาทิเศษของภิกษุผู้ว่ายากไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมานุภาพครบสามครั้งเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบสังฆาทิเศษของภิกษุผู้ว่ายากไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวนสมานุภาพครบสามครั้งเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตสิกขาบทที่13ถาม สังฆาทิเศษของภิกษุผู้ประทุร้ายสกุลไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวนสมนุภาพครบสามครั้งเกิดด้วยส ม, มุฐานเท่าไรตอบสังคาทิเศษของภิกษุผู้ประทุษรายสกุลไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวนสมนุภาพครบสามครั้งเกิดด้วยสมุฐานหนึ่งสมุฐานก็เกิดทางกายวาจากับจิตสังฆาทิเศษสิสสิกขาบทจบ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 เซคิยวัดจบ 3. าปราชิ ก, กาทิว่าด้วยอาบัติปราชิกเป็นต้นปราชิก4ถามปราชิกสี่สิกขาบทเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบ ปาราชิกสีสิกขาบทเกิดด้วยสมุทฐาน3สมุทฐานคือ1เกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา2เกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกาย3เกิดทางกายวาจากับจิตสังคาทิเศส13ถามสังคาทิเศสสิสิกขาบทเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบสังคาทิเศสสิสิกขาบทเกิดด้วยสมุทฐานหสมุฐาน คือ 1>, 1. เกิดทางกายไม่จะเกิดทางวาจาไม่จะเกิดทางจิตสองเกิดทางวาจาไม่จะเกิดทางกายไม่จะเกิดทางจิตสเกิดทางกายกับวาจาไม่จะเกิดทางจิตสเกิดทางกายกับจิตไม่จะเกิดทางวาจาหเกิดทางวาจากับจิตไม่จะเกิดทางกาย 6. เกิดทางกายวาจากับจิตอเนตตาสองถาม อนิยตตาสองสิกขาบทเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบอนิยตตาสองสิกขาบทเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐานคือ 1. เกิดทางกายกับจิตไม่จะเกิดทางวาจา 2. เกิดทางวาจากับจิตไม่จะเกิดทางกาย 3. เกิดทางกายวาจากับจิตนิสักียะปาจิตตีสามสถามนิสักียะปาจิตตีสามสิสิกขาบทเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไร ตอบนบิสกิยาปาจิตตี30สิบกขาบทเกิดด้วยสมุฐาน6สมุฐานคือ 1. เกิดทางกายไม่เช่เกิดทางวาจาไม่เชื่เกิดทางจิต 2. เกิดทางวาจาไม่เช่เกิดทางกายไม่เช่เกิดทางจิต 3. เกิดทางกายกับวาจาไม่เช่เกิดทางจิต 4. เกิดทางกายกับจิตไม่เช่เกิดทางวาจา 5. เกิดทางวาจากับจิตไม่เช่เกิดทางกาย เกิดทางกายวาจากับจิตปาจิตตี๋ยเก้ถามปาจิตตี๋ยเก้สิกขาบทเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรตอบปาจิตตี๋ยเก้สิกขาบทเกิดด้วยสมุทฐาน6สมุทฐานคือ 1. เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางวาจาไม่ใช ift, ่เกิดทางกายไม่ใช ift, ่เกิดทางจิต 3. เกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต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 ทุติยคาถาสังคณิกะว่าด้วยกลุ่มคาถากลุ่มที่สองหนึ่งกายิกาที่อาบัติว่าด้วยอาบัตทางกายเป็นต้นถามอาบัตทางกายจัดไว้เท่าไหร่ทางวาจาจัดไว้เท่าไหร่เพื่อปกปิดต้องอาบัตเท่าไหร่อาบัตที่มีการเคล้าคลึงเป็นปัจจัยมีเท่าไหร่ตอบอาบัตทางกายจัดไว้หกทางวาจาจัดไว้หก เมื่อปกปิดต้องอาบัตสอย่างอาบัตที่มีการเคล้าคลึงเป็นปัจจัยมีหต้องอาบัตเมื่ อ, อรุณนขึ้นเป็นต้นถามต้องอาบัตเมื่ อ, อรุณนขึ้นมีเท่าไรอาบัตชื่อยาวตัตติยกามีเท่าไรอาบัตชื่ออัถวัตุกาในศาสนานี้มีเท่าไรจะสกขาบทและปาติโมกุเทฆ์ทั้งมวลเข้าในอุเทศเท่าไรตอบต้องอาบัตเมื่ อ, อรุณขึ้นมีสาม อาบัตชื่อยาวตติยกามีสองอาบัตชื่ออัถวัตุกาในศาสนานี้มีหนึ่งจดศึกขาบทและปาติโมกุเทศทั้งมวลเข้าในนิทานุเทศอย่างเดียวมูลแห่งพระวินัยเป็นต้นถามมูลแห่งพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มีเท่าไรอาบัตหนักในฝ่ายพระวินัยที่ตรัสไว้มีเท่าไรอาบัตเพราะปิดโทษชั่วยามีเท่าไร ตอบมูลแห่งพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มีสองอาบัตดหนักในฝ่ายพระวินัยที่ตรัสไว้มีสองอาบัดเพราะปิดโทษชั่วยากมีสองต้องอาบัดในระแวกบ้านเป็นต้นถามอาบัดในระแวกบ้านมีเท่าไหร่อาบัดมีฝังนาทีเป็นปัจจัยมีเท่าไหร่ต้องอาบัดถุนละใจเพราะเนื้อกี่ชนิดต้องอาบัดทุกกฎเพราะเนื้อกี่ชนิดตอบ อาบัดในละแวกบ้านมีสี่อาบัดมีฝั่งนาทีเป็นปัจใจมีสี่ต้องอาบัดถุนละใจเพราะเนื้อชนิดเดียวต้องอาบัดทุกกฎเพราะเนื้อก้าชนิดต้องอาบัดทางวาจาในกลางคืนเป็นต้นถามอาบัดทางวาจาในกลางคืนมีเท่าไรอาบัดทางวาจาในกลางวันมีเท่าไรเมื่อให้ต้องอาบัดเท่าไหรเมื่อรับต้องอาบัดเท่าไรตอบ อาบัตทางวาจาในกลางคื น, นมีสองอาบัตทางวาจาในกลางวันมีสองเมื่อให้ต้องอาบัตสเมือ่อรับต้องอาบัตสีสเทศนาคาไมนยาที่อาบัติว่าด้วยอาบัตเป็นเทศนาคาไมนีเป็นต้นถามอาบัตเป็นเทศนาคาไมนีมีเท่าไหร่อาบัตที่แก้ไขได้จัดไว้เท่าไหร่อาบัตที่ทำาคินไม่ได้ในาศาสนานี้ พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่า ไ, ไรตอบอาบัดเป็นเทศนาคามิหนีมีหอาบัดที่ทําคืนได้จัดไว้หอาบัดที่ทําคืนไม่ได้ในาศาสนานี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้อย่างเดียวต้องอาบัดหนักในฝ่ายพระวินัยเป็นต้นถามอาบัตดหนักในฝ่ายพระวินัยเป็นไปทางกายและวาจา ตรัดไว้เท่าไหร่ธัญรศในเวลาวิกาลมีเท่าไหร่สมมุติด้วยยติจัตุตกรรมวาจามีเท่าไหรตอบอาบัดหนักในฝ่ายพระวินัยเป็นไปทางกายและวาจาตรัดไว้สองธัญรศในเวลาวิกาลมีอย่างเดียวสมมุติด้วยยติ out, จัตุตกรรมวาจามีอย่างเดียวอาบัดประชิกทางกายเป็นต้นถามอาบัดประชิกทางกายมีเท่าไหร่ ภูมิของภิกษุผู้มีสังวาสมีเท่าไหร่รติเฉทะของภิกษุขี่พวกและพระบัญญัติเรื่องสองนิ้วมีเท่าไรตอบอาบัติปา ร, ราชิกทางกายมีสองภูมิของภิกษุผู้มีสังวาสมีสองรติเฉทะของภิกษุมีสองพวกและพระบัญญัติเรื่องสองนิ้วมีสองต้องอาบัติเพราะทําร้ายตัวเองเป็นต้นถามเพราะทําร้ายตัวเองต้องอาบัติเท่าไหร่ สงแตกกันด้วยอาการเท่าไรอาบัตชื่อปัตมาปติกาในศาสนานี้มีเท่าไร <iment. S 1> การทำยติมีเท่าไรตอบเพราะทำร้ายตัวเองต้องอาบัตมีสองสงแตกกันด้วยอาการสองอาบัตชื่อปัตมาปัติกาในศาสานานี้มีสองทำยติมีสองต้องอาบัเาา ต, บ ต, เ, ตบเพราะปานาติบาตเป็นต้นถามอาบัตเพราะปานาติบาตมีเท่าไร อาบัตปราชิกเนื่องด้วยวาจามีเท่าไหร่อาบัตเกี่ยวด้วยผู้เชิญชวนตรัสไว้เท่าไรอาบัตเกี่ยวด้วยเที่ยวเป็นพ่อสื่อตรัสไว้เท่าไรตอบอาบัตเพราะปานติบาตมีสอาบัตปราชิกเนื่องด้วยวาจามีสอาบัตเกี่ยวด้วยผู้เชิญชวนตรัสไว้สและอาบัตเกี่ยวด้วยเที่ยวเป็นพ่อสื่อตรัสไว้สบุคคลไม่ควรให้อุปสมบทเป็นต้นถาม บุคคลไม่ควรให้อุปสมบทมีเท่าไรกระมะสังคหะมีเท่าไรบุคคลถูกนาสนะตรัสไว้เท่าไรอนุสาวนาเดียวกันสำหรับบุคคลจำนวนเท่าไรตอบบุคคลไม่ควรให้อุปสมบทมีสามพวกกระมะสังคฆะมีสามอย่างบุคคลที่ถูกนาสนะตรัสไว้สามพวกอนุสาวนาเดียวกันสำหรับบุคคลจำนวนสามคนต้องอาบัติพราะอาทินนาทานเป็นต้น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 เป็นเหตุให้ภิกษุต้องอาบัตเพราะจีวรเป็นเหตุต้องอาบัตปาติเทสนิยะเป็นต้นถามอาบัตปาติเทสนิยะที่ตรัสไว้แก่ภิกษุณีมีเท่าไหร่เพราะขอข้าวเปลือกมาฉันปรับอาบัตทุกกฎกับปาจิตติหรือตอบอาบัตปาติเทสนิยะที่ตรัสไว้แก่พิกษุณีปรับอาบัตไว้8เพราะขอข้าวเปลือกมาฉันปรับอาบัตทุกกฎกับปาจิตติ ต้องอาบัตเพราะเดินเป็นต้นถามผู้เดินต้องอาบัตเท่าไรผู้ยืนต้องอาบัตเท่าไรผู้นั่งต้องอาบัตเท่าไรและผู้นอนต้องอาบัตเท่าไรตอบผู้เดินต้องอาบัตสีผู้ยืนต้องอาบัตสี่เท่ากันผู้นั่งต้องอาบัตสี่และผู้นอนต้องอาบัตสี่เท่ากัน สาปาจิตติยะว่าด้วยอาบัติปาจิตติต้องอาบัติในเขตเดียวกันถามอาบัติปาจิตติทั้งหมดที่มีวัตถุต่างกันมีเท่าไรภิกษุพึงต้องในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังตอบอาบัติปาจิตติทั้งหมดที่มีวัตถุต่างกันมีหภิกษุพึงต้องในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังถามอาบัติปาจิตติทั้งหมดที่มีวัตถุต่างกันมีเท่าไร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 ภิกษุพึงแสดงระบุวัตถุถามอาบัติป า, า, าจิาาาต dramatic? ติทั้งหมดที่มีวัตถุต่างกันมีเท่าไหร่อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแหน่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้แล้วภิกษุพึงแสดงระบุอะไรตอบอาบัติปาจิตติทั้งหมดที่มีวัตถุต่างกันมี9อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัแห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้แล้วภิกษุพึงแสดงระบุวัตถุยาวตติตยกาบัต เป็นนต้ถามเพราะสวดสมานุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตเท่าไรเพราะการกล่าวเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไร่ภิกษุเคียวต้องอาบัตเท่าไหร่เพราะโภชนะเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไรตอบเพราะสวดสมานุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสาเพราะการกล่าวเป็นปัจจัยต้องอาบัตหกพิกษุเคียวต้องอาบัตสาเพราะโภชนะเป็นปัจจัยต้องอาบัตห้ ฐานะแห่งยาวตติยกาบัดเป็นต้นถามยาวตัตติยกาบัดทั้งหมดย่อมถึงฐานะเท่าไรอาบัดมีกกกแ ก, มก่คนกี่พวกและอธิกรมีแก่คนกี่พวกตอบยาวะตติยกาบัดทั้งหมดย่อมถึงฐานะหอาบัดมีแก่สหธรรมมิห้าและอธิกรมีแก่สหธรรมมิห้าวินิจฉัยเป็นต้นถาม วินิจฉัยมีแก่คนกี่พวกการระงับมีแก่คนกี่พวกบุคคลกี่พวกไม่ต้องอาบัตดและภิกษุย่อมงามด้วยฐานะเท่าไรตอบวินิจฉัยมีแก่สหธรรมิค่าการระงับมีแก่สหธรรมิค่าไม่ต้องอาบัตดและภิกษุย่อมงามด้วยสามฐานะอาบัดทางกายในราตรีเป็นต้นถามอาบัตดทางกายในกลางคืนมีเท่าไหร่ อาบัตทางกายในกลางวันมีเท่าไหร่ภิกษุเพ่งดูต้องอาบัตเท่าไหร่เพราะบิณฑบาตเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบอาบัตทางกายในกลางคืนมีสองอาบัตทางกายในกลางวันมีสองพิสุเพ่งดูต้องอาบัตกองเดียวเพราะบิณฑบาตเป็นปัจจัยต้องอาบัตกองเดียวภิกษุที่สงยกวัดเป็นต้นถามภิกษุเห็นอานิสงส์เท่าไหร่จึงแสดงเพราะเชื่อคนอื่น ภิกษุถูกยกวัดตรัสไว้เท่าไรความประพฤติ ช, ชอบมีเท่าไรตอบภิกษุเห็นอนิสงส์8ดอย่างจึงแสดงเพราะเชื่อคนอื่นภิกษุถูกยกวัดตรัสไว้สามพวกความประพฤติ ช, ชอบมี43สาข้อมุสาวาเป็นต้นถามมุสาวาถึงฐานะเท่าไรที่ตรัสว่าอย่างยิ่งมีเท่าไรปาติเทสนิยมีกี่ศิขาบท และการแสดงโทษของบุคคลขี่พวกตอบมุสาวาทถึงฐานะห้าที่ตรัสว่าอย่างยิ่งมี14สีิกขาบทปาติเทสนียมี12บสองสิกขาบทและการแสดงโทษของบุคคลสีพวกองค์ของมุสาวาทเป็นต้นถามมุสาวาทมีองค์เท่าไรองค์อุโบสถมีเท่าไรองค์ที่เอื้อต่อการเป็นโทษมีเท่าไรติทยวัดมีเท่าไร มุสาวาทมีองค์8องค์อุโบสถมี8ดองค์ที่เอื้อต่อการเป็นทูดมี8ดติทยวัตรมี8อุปสัมปทาเป็นต้นถามอุปสัมปทามีวาจาเท่าไรภิกษุณีพึงลุกรับภิกษุณีกี่พวกพึงให้อาสนะแก่พิกษุณีกี่พวกภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณีประกอบด้วยคุณสมบัติเท่าไหรตอบอุปสัมปทามีวาจาแปด ภิกษุณีพึงลุกรับภิกษุณีแพวกพึงให้อาสนะแก่ภิกษุณีแพวกภิกษุณีผู้สั่งสอนภิกษุณีประกอบด้วยคุณสมบัติ8ข้อความขาดเป็นต้นถามความขาดมีแก่บุคคลเท่าไรออาบัติทุลใจมีแก่บุคคลเท่าไรบุคคลเท่าไรไม่ต้องอาบัติออาบัติและอนาบัติของคนทั้งหมดมีวัตถุอย่างเดียวกันหรือตอบความขาดมีแก่บุคคลผู้เดียว อาบัตทุนละใจมีแก่บุคคลสี่พวกบุคคลสี่พวกไม่ต้องอาบัตอาบัตและอนาบัตของคนทั้งหมดมีวัตถุอย่างเดียวกันกรรมเนื่องด้วยยัตติเป็นต้นถามอาคาตวัตถุมีเท่าไรสสงแต่กันด้วยเหตุเท่าไรอาบัตชื่อปัทมาปัติกาในาศาสนานี้มีเท่าไรการทำด้วยยัตติมีเท่าไรตอบอาคาตวัตถุมีก้า สงแต่กันด้วยเหตุเก้าอย่างอาบาดชื่อปัตมาปติกาในาศาสนานี้มีเก้าอย่างการทําด้วยยัตติมีเก้าอย่าง 4. อวันธนิยะปคลาธิว่าด้วยบุคคลไม่ควรไหว้เป็นต้นถามบุคคลเท่าไรอันภิกษุไม่ควรกราบไหว้ไม่ควรทําอัญเชลีกรรมและสาเมจิกรรมทําแก่บุคคลกี่พวกต้องอาบัต ท, ทุกกฎ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 ควรให้แก่บุคคลกี่พวกและไม่ควรให้แก่บุคคลกี่พวกตอบจีวังควรให้แก่สหธรรมมิฆาในาศาสนานี้ผู้อยู่จำพรรษาแล้วเมื่อมีผู้รับแทนควรให้แก่บุคคล7จ็ดำพวกและไม่ควรให้แก่บุคคล16บหกจำพวกภิกษุอยู่ปริวาทถามชั่วร้อยราตรีภิกษุอยู่ปริวาท ป, ปิดอาบัติไว้กี่ร้อยต้องอยู่ปริวาสกี่ราตรีจึงจะพน้น ตอบชั่วร้อยราตรีภิกษุอยู่ปริวาสปิดอาบัตไว้หนึ่งพราตรีต้องอยู่ปริวาสสิบราตรีจึงจะพน้นโทษแห่งกรรมถามโทษแห่งกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไรกรรมที่ไม่ชอบทำทั้งหมดที่ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปามีเท่าไหร่ตอบ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 กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้มีหกอย่างในกรรมหกอย่างนี้กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปาที่ชอบธรรมมีอย่างเดียวที่ไม่ชอบธรรมีห้าอย่างกรรมสี่อย่างถามการรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไหร่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 อาบัตระงับและไม่ระงับถามในกองอาบัตที่พระอนันตชินเจ้าผู้คงที่ผู้ทรงเห็นวิเวกทรงแสดงแล้วนั้นกองอาบัตกี่กองเว้นสมมาถะเสียก็ระงับได้ท่านผู้ฉลาดในวิพังข้าพเจ้าถามข้อนั้นขอท่านจงบอกตอบในกองอาบัตที่พระอนันตชินเจ้าผู้คงที่ผู้ทรงเห็นวิเวกทรงแสดงแล้วนั้น กองอาบัตดกองเดียวเว้นสมถะเสียก็รังพได้ท่านผู้ฉลาดในวิพังข้าพเจ้าขอบอกข้อนั้นแก่ท่านภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ไปสู่อบายถามภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ไปสู่อบายอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงสักด์ตรัสไว้เท่าไหร่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ไปสู่อบาย ตกนรกอยู่ชั่วกับอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้144พวกขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ไม่ไปสู่อบายถามภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ไม่ไปสู่อบายอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุแห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไรข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัย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 ถามกรรมอันพระพ er ุทธเจ้าผู ire, ad, ire, ad, ้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงศักด์ตรัสไว้เท่าไรเขาพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงศัด์ตรัสไว้สอย่างขอท่านจงฟังวิสัยของเขาพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยปาราชิก8ถามปรราชิกอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สงศักด์ ตรัสไว้เท่าไรเขาพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบรารชิกอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเ ผ, ผ่าพันธุ่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้แปดอย่างขอท่านจงฟังวิสัยของเขาพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยสังคาทิเศตยีสสามถามสังคาทิเศตอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบสังฆาทิเศษอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้23าอย่างขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยอนิยตตาสองถามอานิยตตอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไหร่ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินยัยตอบอานิยตะอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้สองสักขาบทขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินยัยนิสักขีสี่สถามนิสักคีอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไหร่ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบนิสักขีอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันถ่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้42ศสิกขาบทขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยปาจิตตี188ยถามปาจิตตี 10, อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันถ่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไร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 ข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบป้าติเทสนิยะอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันถ่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้สิบสองสิกขาบทขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยเสขียะเจถามเสขียะอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันถ่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไหร่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 จะไม่อ้างถึงสูตรอะไรไม่มีแลทุติยคาถาสังคณิกะจบ